มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวักอิทิยากัมมะวิปากะปัญหาที่หนึ่งถามว่ายกพระโมฆลลานะว่าเลิศฝ่ายมีริษเหตุไรไม่สู้รบโจรยอมให้โจรตีจนกระดูกระแก สมเด็จพระเจ้ามิลินผู้ปินประชาจึงมีพระราชโอการถามอัธปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่าพันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ประกอบด้วยบวราวีสุทธิปรีชาอันหนึ่งสมเด็จพระมหากรุณาโลกุตมะมงกุฎปราดมีพระพุทธดีกาพระพาทยกพระโมคคลานะทุติยะสาวกว่า เอตะทักขังพิกเวม ะ, มะมะสาวกานังพิกขูนังอิทธิมันตานังยะที่ทางมหาโมคาลานโนดังนี้ความว่าพิกเวดูรานะพิษุทั้งหลายแต่บรรดาสาวกฝ่ายมีฤทธิ์นี้และสาวกผู้ใดที่จะมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพระโมคาลานะนี้หาไม่ได้ก็แหละพระโมคาลานะเถระนี้ ประเสริฐด้วยฤทธิ์แล้วทำไมจึงไม่สู้รบโจรปล่อยให้โจรตีจนศีรษะแตกกระดูกหักละเอียดปนปี้จนต้องปรินิพานโจรมิมีฤทธิ์ไปกว่าพระโมคคัลลานะหรือถ้าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์แล้วที่ไหนโจรจะตีได้น่าสงสัยนักหนาปัญหานี้เป็นอุพัโตโกติ นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าโปรดวิสัชนาให้โยมแจ้งในการบัดนี้เถโรพระนาคเสนผู้เป็นองค์อรหันต์จิงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารอันพระพุทธดีกาของสมเด็จพระโลกุตามาจารย์เจ้าจะเป็นสองหาไม่ได้ทเวอจินเตยาสมเด็จพระโลกุตามาจารย์เจ้า ตรัสประธานธรรมเทศนาอาจินไตไว้สองประการคือโลกุตระริทนี้ประการหนึ่งกรมมะวิปากริทนั้นประการหนึ่งริททั้งสองนี้เป็นอาจินไตไม่ควรจะพึงคิดเลยโลกุตระริทนี้เป็นริทของพระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายโลกุตระริทนี้ อุปัทวะอันตรายอื่นๆมิอาจย่ำยีได้แต่จะสู้กรร ม, มวิบากฤตจะยังวิบากฤตให้อันตรฐานหายนั้นกระทําไม่ได้กรร ม, มวิบากฤตนั้นคือฤติแห่งผลกุศลากุศลกรรมอันผลแห่งกุศลากุศลกรรมนี้ถึงผู้ใดจะมีฤธิเทียมพระสัพพันยอยู่ก็มิอาจสู้ได้กัปิดเถกับปิดถัดงวิยะ โลกุตระฤทธ์เหมือนผลมะขิดครั้นต้องการเข้าข้างผลมะขิดก็แตกทำลายอัมเพนะอัมพังวิยะจะถ้ามิฉะนั้นดุดต้นไม้มะม่วงกับผลมะม่วงเมื่อตกต้องกันผลก็ทำลายไปฉันใดก็ดีโลกุตระฤทธินี้อ่อนมิอาจจะกั้นกรรมมวิบากริดได้คือผลกรรมเนี่ยแรงกว่า เหตุฉนี้พระมหาโมคคลานะเถระเจ้าจึงสู้กรรมวิบากฤทธิ์สู้แรงกรรมไม่ได้ด้วยพระโมคคลานะเถระเจ้าได้กระทําไว้แต่ก่อนครั้งหนึ่งเมื่อบารมีพระผู้เป็นเจ้ายังอ่อนอยู่นั้นเป็นบุรุษเลี้ยงมารดามารดาตามืดตกว่ามารดากับภรรยานั้นไม่เข้ากันฝ่ายว่าภรรยานั้น ตั้งแต่จะยุยงใส่โทษมานดาวอนว่าแก่บุรุษผู้นั้นให้บุรุษนั้นไปปล่อยมานดาเสียในมราคาอันกันดานบุรุษสามีนั้นหลงด้วยกนมานยาก็พามานดาขึ้นสู่เกวียนอันเทียมด้วยโค ข, ขับเข็นมาถึงมราคากันดานมารดาสิตามืดบุรุษนั้นก็กระทำกิริยาให้เหมือนโจรตีส่วนมานดาตามืด มีจิตนั้นสะดุ้งหวาดวันสำคัญว่าโจรจริงจริงร้องว่าตาตะดูรานะลูกเอย๋ยเอาตัวรอดเถิดมารดานี้แก่แล้วตามทีมารดาเถิดลูกเอ๋ยไปให้พ้นตกว่าบุรุษนั้นได้ฟังคำมารดาก็คิดถึงคุณมารดาพามารดาเลี้ยงไว้ดุดการก่อน ได้กระทำกรรมหลอกหลอนประทุษร้ายมารดาไว้เท่านี้ก็เป็นเวรตามตนมาทุกทุกชาติแต่โจรตีตายมานี้หลายชาติกำหนดถึงห้าร้อยชาติตราบเท่าปัจ ช, ชิมะชาติเป็นพระมหาโมกคลานะเหตุดังนี้พระโมกคลานะเถระเจ้าถึงทรงไว้ซึ่งโลกุตระริต ก, ก็มิอาจสู้รบป้องกันโจรได้ มหิยาราชาโนเปรียบเหมือนบรมกษัตริย์ทั้งหลายในพื้นพิภพปัฐพีมีอานุภาพแผ่ไปแก่เสนาข้าราชการทั้งปวงเสนาข้าราชการทั้งปวงผู้ใดผู้หนึ่งมิอาจสู้รบราชริศได้และบรมกษัตริย์นั้นเมื่อคราวสิ้นบุญแล้วกรรมมาถึงก็มิอาจสู้รบต้านทานซึ่งกรรมนั้นได้ถ้ามิฉะนั้น อุปมาัยดุจบุรุษผู้หนึ่งกระทําซึ่งความชั่วคือกระทําตัวเป็นโจรปล้นสะดมญาติพี่น้องบิดามารดาบ่ห่อนจะกระทําโทษได้จะกระทําโทษแก่บุรุษผู้นั้นได้ก็แต่พระมหากษัตริย์ญาติบิดามารดาพี่ป้าน้าลุงนั้นไม่อาจป้องกันขัดอาญาพระมหากษัตริย์ได้ฉันใดก็ดีถึงว่าจะมีฤทธิ์สักด์เท่าใด เมื่อริษแห่งกรรมที่กระทำไว้ตามทันเข้าเมื่อใดก็มิอาจสู้กรรมได้เปรียบเหมือนดังนั้นใช่ว่าริษโจรอันตีนั้นจะมากกว่าริษพระโมคคัลลานะนี้หามิได้บพิจงเข้าพระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีได้ทรงฟังพระนาคเกษนวิสัชนาดังนี้ก็ซองสาธุการว่าสาธุ ดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าอิทธิยากรรมวิปากะปัญหาที่หนึ่งจบเพียงนี้